อขอนนีมม้มลอาจารย์วัฒนชัยแสดงธรรมเช้านี้ด้วยขอนอบน้อมต่อคุณปรัตนตรไรขอกาดพระอาจารย์เผศสารพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์สงศินเพื่อสัตมิตรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีระยิธรรมทุกท่านมเมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์บทสาคัญที่สุดเนาะซึ่งเป็นปฐมเทศนาของพระเจ้าคือธรรมจัก กับพุทธสูตรอันนี้ถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะเพราะเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกแล้วก็เป็นการเริ่มเผยแผ่ธรรมเป็นการเข็นพระธรรมจักรให้เคลื่อนไปจากการที่ธรรมจักรได้หยุดนิ่งมานานแล้วหรือว่าหายไปจากโลกนี้นะก็เริ่มที่จะดําเนินหรือว่าเริ่มที่จะเคลื่อนที่จะนําธรรมะมาสู่ชาวโลกอในยุคต่อๆมาจนถึงยุคพวกเราเนาะ คราวนี้เนี่ยทรงทรงตัดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วถ้าบุดไไม่รู้จักกริยสัจสี่นะพวกนั้นก็ต้องเหียนบายใต่เกิดมาพบนักชาติมไม่ท้วนมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะในธรรมาจาักเนี่ยสำคัญเพราะมีอริยสัตสี่อยู่ด้วยเนาะแต่คราวนี้นในยุคนั้ น, นมีมีทิฐิที่สำคัญอยู่สองอย่างคือการที่นคนในยุคนั้น ติดในความสุขกันนะแม้แต่ยุคนี้เหมือนกันติดในความสุขนะอะไรเป็นความสุขก็จะติดกันในรูปรสกลิ่นเสียงโภชภัณฑ์ธรรมลมต่างๆนะคือใจที่ไหลเข้าไปในอารมณ์ที่ชอบใจนะมากมายนะยุคนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่มันติดได้ง่ายเกมใหม่ๆโปเกมอนอะไรทั้งหลายแหละคนก็ไปติดกันนะทางๆทีทททท่จริงๆแล้วนั่นแหละมันก็คือการมาสุ ข, ขันหรการนุโยคที่พิเจ้าได้ทรงบอกไว้ทางนั้นเลยเนาะ อคราวนี้ อ, อย่างหนึ่งก็คืออัตตาการมาฐานุโยคซึ่งคนในยุคนั้นก็นิยมกันนะลือสีโยคีทั้งหลายก็นิยมในตรงนี้กันมากเพราะการถนมันตนก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าออาจจะทําให้เป็นความพอใจของพระพผูพ้เุ้มเจ้าหรือการที่ทําให้เป็นการชําระกรรมเนะหรือเมื่อทําแล้วก็คิดว่าเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะเพราะว่าตรงนี้ทําแล้ว จิตจะได้หมดจากกิเลสทั้งปวงนะก็ได้เข้าสู่ความพ้นทุกข์หรือว่าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจเข้าใจผิดขนาดปฏิวัติคีที่อ่าเห็นเห็นพระพุทธเจ้าได้ทรงอดอาหารถึงสี่เก้าวันก็มีความชื่นชมว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วแต่เมือ่อพระเจ้าได้ทรงกลับมารับทานอาหารอีครั้งหนึ่ง ประ้าคีก็เห็นว่าเออไม่ถูกต้องกันหนีเลยเนาะตรงนี้ก็คือทิฏฐิสองอย่างที่อในยุคนั้นนะได้นิยมกันเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักก็ทรงแก้ทิฏฐิตรงนี้ว่าทั้งสองทางนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเนาะเป็นหนทางอ่าการ ม, มาสุขันก็เป็นหนทางที่ต่าําซ้ะส่วนอตัตตากุยถาโยก็ไม่ใช่หนทางถูกต้องเพราะเป็นการทรมานตนเนาะ ได้ส่งเสนอหนทางที่ถูกต้องเอาไว้ว่าหนทางนี้แหละคือทางสายกลางนะมัชชิมาปฏิปทานี่แหละจึงถูกต้องอันนี้ก็เป็นหนทางที่เรียกว่าไม่ไม่เหมือนกับใครนะเป็นหนทางที่เรียกว่าเป็นการแปลกแวกแนวขึ้นมานะต่อมาก็ได้ทรงแสดงอรสิสสีนะอรสิสสีนี่เป็นหนทางที่เรียกว่าหนทางที่ประเสริฐนะอริยะ อริยก็คือประเสริฐสัจจะก็คือความจริงความจริงอับประเสริฐสี่ประการมีอะไรบ้างที่เป็นหนทางที่มันอเป็นสัจจะและเป็นความประเสริฐก็คือทุกข์นะทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นความที่มีอยู่จริงะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นความทุกข์ก็คือเห็นความจริงนั่นเองเพราะความทุกข์มันมีอยู่แล้วมันอยู่เดี๋ยวเราจะเห็นเขาไหมนะตรงนี้คือความจริงแต่เราไม่เห็นเขา เพราะนั้นความทุกข์นี้เราจึงต้องรู้ทันนะรู้ทันว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นจริงไหมนะความทุกข์ที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็คือชาปิดทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิดทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โศกกระปริเทวทุกกโทมัสุปายาสาปิดทุกขาความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อุปทานขันทั้งห้าก็คือกายและใจนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงเนาะตรงนี้ก็คือความทุกข์นี่คือความจริงเพราะนั้นผู้ใดเห็นความจริงผู้นั้นก็สามารถออกอจากความทุกข์ได้ แต่ว่าเราอยู่กับความทุกข์ที่เราไม่รู้จักนะนี่แสดงเราไม่รู้จักความจริงนะเพราะฉนั้นความจริงก็คือพระพุทธเจ้าบอกให้ต้องรู้เขานะรู้ความทุกข์นั่นแหละคือรู้ความจริงนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้เรารู้ทันไหมเนะนาะขณะนี้เราบางทีเรานั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วเราปวดเมื่อยเรารู้ทันไหมนะหรือเรารู้สึกง่วงง่วงนี่ก็เป็นความทุกข์เรารู้ทันไหม เนาะบางท่านก็รู้สึกหิวหิวเนาะนี่เรารู้ทันไหมนี่คือความทุกข์นะบางท่านก็อยากอยากเข้าห้องน้ำก็เป็นความทุกข์นะเรารู้ทันไหมอาการเย็นเย็นรู้สึกมันไม่ค่อยจะสบายตัวเราก็รู้ทันไหมนี่เป็นความทุกข์ความเบื่อเรารู้ทันไหมนี่คือความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยจึงต้องรู้ทันนะมันไม่จะเป็นความทุกข์ว่าต้องยิ่งใหญ่อะไรแต่ความทุกข์ในขณะนี้นะเรารู้ทันไหมพราะทบแทบ จะทุรบทเลยมันคือความทุกข์แต่เรารู้ไม่ทันะเรานั่งมันนั่งแล้วมันอยากย่อสลับขานะอยากจะเปลี่ยนมาเป็นนั่งสลับข้างอีกข้างหนึ่งพับเพียบก็อย่างนี่แหละเป็นการแก้ทุกข์แล้วใช่ไหมเราไอก็แก้ทุกข์ใช่ไหมมันคันคันคอเราก็ต้องไอมันก็เป็นการแก้ทุกข์ทั้งนั้นเพราะตรงนี้ก็คือความทุกข์ในขณะปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหละ มันก็คือความทุกข์นั่นเองนะเรารู้ทันไหมแล้วจริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยในทุกๆลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็คือมันหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันก็เป็นความทุกข์แล้วก็ต้องตายใช่ไหมมันก็คือตรงนี้นั่นเองเรารู้ทันไหมเราก็ะพิบตามันก็เป็นการที่เราต้องแก้ทุกข์นะถ้าเราไม่ก็ะพิบตามมันก็ทนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็คือความทุกข์ในอิริบทต่างๆที่เราต้องรู้เท่าทันไม่ว่าจะเป็นความหยาบหรือเป็นความละเอียด ะมันก็ปรากฏขึ้นในตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะครา้ น, นี้ถ้าคนไม่รู้ทันเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆความทุกข์คืออะไรเราก็ไม่หาทางที่จะพ้นทุกข์มันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพชาติไม่ถ้วนต่อไปอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าจบอกว่ า, าผู้ใดไม่เห็นอริ ส, สัตติทุกนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับภพชาติไม่ท้ว น, นต่อมาก็คืออสมุทยัทยก็คือสาเหตุการเกิดทุกข์อันนี้เรารู้จักไหม <c oughs> เพราะนะั้นสมุทยัยมุขพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นสิ่งเราต้องละนะ การที่เราจะละเราจะละอะไรถ้าเรามารู้จักมันใช่ไหมก็ต้องรู้ว่าสมุทัยมีอะไรบ้างสมุทัยก็ได้แก่ยายงตันหาโปโนภวิการนันทิลาคะสากตาตตระตัตรลาพินันทีนีก็ได้แก่ตันหานั่นเองนะตันหาเป็นเหตุให้นำสู่การเกิดใหม่อได้แก่ความกําหนัดความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งต่อไปนี้คือเซย่ทีทางกา마ตันหา ก็คือการที่เรายินดีเราพอใจเราเพลิดเพลินไปในรูปรสกลิ่นเสียงโพฏฐพะรำอารมณ์นะจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าคนเราชอบเพลิดเพลินอยู่แล้วนะอ่าโดยเพราะที่เริ่มต้นในตานี่แหละมันเพลิดเพลินมากใช่ไหมคนเราพอมีตาปั๊บนะมันจะต่างกับคนไม่มีตาพอตามปุ๊บมันจะเริ่มแสวงหาความยินดีในรูปต่างๆมากมายใช่ไหม เราเราไปดูหนังนะก็เพราะว่านี่แหละมันตามันให้ไปดูนะอดูโอลิมปิกะดูฟุตบอลใช่ไหมอ่านี่แหละมันตามันดึงไปดูทัาทางนั้นเลยอ่าพอดูแล้วเป็นอย่างไรนะอ่าดูฟุตบอลนะเราก็ดีใจนะดีใจนะเวลาฟุตบอลที่เราเชียร์มันแพ้เราก็เสียใจใช่ไหม หรือแม้แต่เราเห็นคนที่เราชอบใจผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เกิดความกําหนัดเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยมันเป็นตัณหานะตัณหาก็คือความกําหนัดความเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราเห็นเน่ยเสร็จแล้วก็ไปปรุงแต่งต่อมายเยอะยะเลยนะตาเราเห็นโฆษณาอะไรอยากได้นะมันก็คือความอยากได้ที่มันเกิดจากการที่เราตามองเห็นเรารู้ทันไหมใช่นมนี่ขนาดตาอย่างเดียวนะมันยังสร้างตัณหาหเรามากมายมาแล้วหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆ ที่มันนึกคิดเพลิดเพลินไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมันจะไม่มากมายขนาดไหนเนะเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนําให้เราสู่การเกิดใหม่ทั้งนั้นเลยนะเพราะเราไปเพลิดเพลินกําหนัดในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นต่อมาที่สองก็คือภาวะตัณหาก็คือความออยากได้ความอยากมีความอยากเป็นทั้งหลายแหล่นะก็คื อ, อเราเราอยู่ในทางโลกเราก็อยากได้เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศ่างๆเนาะนี่ก็คือภาวะตัณหาอืม ต่อมาเราเป็นนักปฏบัติเราก็อยากได้นะอยากได้สติสมาธิปัญญาทั้งหลายแลล่นี่ก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะแต่ก็เป็นตัณหาในทางดีๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เรารู้ทันว่ามันก็คือตัณหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบัติธรรมเราก็ไม่ต้องอยากได้อะไรหรอกใช่ไหมเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยความเป็นมีฉันทะคือความพอใจในการปฏิบัติถ้าเรายิ่งอยากได้มันก็ยิ่งจะเป็นผลชางที่เนินช้าเพราะเราจะทำด้วยตัณหา มีการไปเพ่งไปจ้องทําด้วยความออยากจะได้ะจริงๆแล้วมันมันใจมันก็คือเมื่อมันไม่ได้ในสิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์เอิบมาแบบต้องไหลายวันแล้วทามันไม่ได้ก็มีความทุกข์ในเมื่อเราได้แล้วมันก็มีความทุกข์อีกเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็วนไปอย่างนี้น่ะการปฏิธรรมนอกจากเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้หรอกมาตรงนี้ก็คือเราก็ทํำด้วยความพอใจก็แล้วกันนะทําเป็นพุทธบูชาหรือทําเพื่อให้บุญเกิดขึ้นกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรา เนะตรงนี้มันก็ใจเราจะได้สบายออกจากความที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนะมันก็มีเทคนิคลองวัเทียนอยู่ข้อหนึ่งว่าอยากอยากเห็นอยากอย่ายากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะก็คือเราคลายออกจากความอยากได้นั่นเองนะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งเราต้องละเนาะต่อมาคือวิภาปตัญหาก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นการผักใส่ลมต่างๆที่เราไม่ชอบใจเป็นต้นอืมเช่นมีความโกรธเราก็ผักใสเข้านะเราก็ บังคับกดทีคมเหงแทรกแซงให้เขาหมดไปนเป็นต้นอารมณ์ต่างๆไม่ชอบใจก็บังคับก็หมดไปไม่อยากได้ไม่อยากไม่อยากเป็นเป็นอะไรก็ไม่อยากได้ในตรงนั้นนะจิตอะไรที immortal, ่มันดิ้นลนก็แล้วแต่นะไม่ว่าดิ้นลนด้วยความอยากได้หรือไม่อยากได้นั่นแหละคือความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุใงการเกิดทุกข์ก็คือตัณหาที่เป็นสาเหตุในการเกิดทุกข์เกิดจากใจที่ดิ้นลนไปในอารมณ์ต่างๆนั่นเองเนะ เพราะนั้นเมื่อเรารู้ทันตัณหาว่าเป็นสาเหตุการเกิดทุกข์แล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องละอะไรก็คือการละตัณหานั่นเองเนาะเพราะนั้นเราก็เข้าสู่นิโรธนะนิโรธก็คือความดับทุกข์ตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วบางคนก็เข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ไกลนะหรือว่าอาจจะเป็นเป็นแดนเป็นทุกเป็นภูมิเป็นเมืองหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากเนาะ อันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าเราเข้าใจว่าการที่เรานิโรดนั่นแหละตรงนี้มันเป็นหนทา ง, งความดับทุกข์และจริงๆแล้วนิพพานก็คือการดับทุกข์นั่นเองเพราะในพุทศาสนาก็ไม่มีอะไรมากถ้าแยกประเด็นก็เป็นสองอย่างคือให้รู้รู้จักความทุกข์และประการสุดท้ายคือให้เราเปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์นั้นเพราะฉนั้นผู้ใดที่ดับทุกข์ได้นั่นแหละคือหนทางแห่งการถึง น, นิพพานแล้ว แต่หลังจางนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่แต่ประการแรกเราทำความดับทุกข์ใ ห, ให้ได้ไหมตรงนี้เมื่อทาความดับทุกข์ได้แล้วมันก็เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือพานิพนธ์นั่นเองเพราะนั้นนิโรธก็คือโยตัสสาเยวะตันหายะอาศสาวิราคานิโล โ, โทจาโโปณิสสคโคมุติอนารโยก็คื อ, อการที่เรา เมื่อเราออมาตรงนี้เราก็เป็นจิตที่เรียกว่าวิลาคะเกิดขึ้นวิลาคะก็คือการจางคลายของตัณหาหรือการคลายออกของตัณหานั่นเองนิโรโทรก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาจาโคคือการสละออกของตัณหาปณิลสโ ค, ก, คการสลัดคืนของตัณหามุตติคือการปล่อยการวางอนารโยคือการทําให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นเนาะอันนี้ก็บอกไว้ชัดเจนว่าจริงๆก็คือการที่เราละเราคลาย เราออกจากตัณหาทําไม่ตัณหาไม่มีที่อาศัยนั่นแหละก็คือนิโรธคือการที่เราพ้นจากความทุกข์แล้วเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าตัณหานั่นคือสมุทยัยคือสาเหตุการเกิดทุกข์นั่นเองเนาะเพราะนัะ้นเมื่อเราจับประเด็นได้เราก็ไม่ยากมาเราก็ไปบัดเพื่อที่จะรู้ทันตัณหาแล้วก็เพื่อจะออกจากตัณหาเหล่านั้น น, น, นะตัณหาก็มีรูปรสกลิ่นเสียงผลพรธรรมลมความอยากได้อยากมีอยากเป็นหลัาการที่เราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นากนารผักไสนั่นนั่นเองนนเองนาะ ตรงนี้เราเมื่อเราจับประเด็นได้แล้วเราก็ได้รู้ว่าหนทางมันคืออะไรเมื่อเห็นหนทางเมื่อเห็นแผนที่แล้วเราจะดําเนินไปอหรือเดินไปในทางที่ถูกต้องคราวนี้การเดินเราจะเดินอย่างไรนะพระเจ้าก็ได้บอกแผนที่ไว้ตรงนี้แบบนี้แบบนี้แม่นนะแล้วหนทางเดินจะทําอย่างไรหนะทางเดินพระเจ้าบอกว่า <c oughs> อริมักก็มีองค์แปดนั่นเองนะคือมักแ8ดนั่นเองนะที่เรามักแ8ดนี่แหละ <c oughs> มันเป็นหนทางเดินที่ว่าเราจะความทุกข์ได้ นะเพราะฉนั้นนิโรธ ก, ก็คือต้องทําให้แจ้งมัก่านละิยามักมีองแปดก็ต้องทําให้เกิด <c oughs> มักมีองแปดมีอะไรบ้างก็มีประการแรกก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนะความเห็นชอบอะไรก็ความเห็นชอบในเรั่องีนั่นเองเนะต่อมาก็คือสัมมาสังกปดําริชอบหรือมีความคิดชอบก็คือการคิดในสิ่งที่ออกจากกามคิดในเรื่องเนื้อขมมักต่างๆเป็นต้นเนะ สองสมการนี้ก็คื อ, อปัญญาศิกขานะต่อมาก็ให้เรามีศีลเกิดขึ้นก็มีสัมมาวาจาคือการพูดจาชอบสัมมารกรรมโตการงานชอบสมัมมาชีโวการที่มีอาชีพชอบหรือการทํางานต่างๆด้วยความชอบธรรมก็มีสัมมาในสิ่งที่เราเกิดขึ้นนะใน <c oughs> จริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือสรุปในเรื่องของกายวาจาใจก็คือเราต้องมีสัมมา สัมมาคือการทำโดยถูกต้องโดยทั้งกายวาจาและใจน้อ น, นี้ก็คือศีลแลศีกขางานมีศีลห้าเป็นต้นนะอันสามสาอาการเนี่ยสา ม, มารถสรุปยงลงได้ในศีลห้านะต่อมาก็คือสัมมาวายามโมมีความเพียรชอบสัมมาสติก็คือความระลึกชอบสัมมาสัมมาที่ก็มีจิตตั้งมั่นชอบอันนี้ก็เป็นจิตตศิกขาแลนะการดําเนินทางจิตเพื่อให้เราเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้ ครั้นี้ในอสายปรการานี้นะ้ำเงินเราอ่าได้ประการที่เราเกล่าวโดยเป็ น, เ ป, นเป็นการย่อลงมาแล้วก็คือให้มีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นประการแรกนี้เรามีศีลหรื อ, อยังนะตรงนี้เราก็ต้องมีพื้นฐานให้ดีนะั่นในการที่เราจะดําเนินสู่การพ้นทุกข์ถ้าเราศีลห้าเรายังบกพร่องนะมันก็จะเป็นการเนิ่นช้าเนาะแม้แต่เราขาดตัวใดตัวหนึ่งมันก็เป็นผลทางที่เรียกว่า เ, าเนิ่นช้าทั้งนั้น นอเช่นขาดในเรื่องศีลข้อสุดท้ายในเรื่องการดื่มเหล้าะมันก็ทําให้ศีลต่างๆขาดไปทั้งหมดเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีสติในการที่รู้เท่าทันจึงมีต่อมาคือต้องมีสติในการรู้เท่าทันกายและใจเราใช่ไหมกายและใจเนี่ยมันเป็นสิ่งเราต้องรู้นะออย่างที่ได้บอกแล้วในเกมโปเกมอนเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเล่นนะจริงๆก็ไม่เคยแทาจะไม่รู้จักมันเลยแต่ได้ฟัง อาจารย์พยาศานเล่าก็มาจินตนาการว่าเออคนเราทําไมมันโง่ขนาดนั้นเนาะวั น, ว, นวันหนึ่งนะจริงๆแล้วคนเราไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าชอบความเพลิดเพินมากกว่าใช่ไหมอ่าก็คือไปหาอะไรตัวอะไรสักอย่างหนึ่งทางโทรศัพท์เนี่ยก็เดินหาเรื่อยๆนะเนี่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันเป็นการเพลิดเพลินอย่างยิ่งเป็นอารมณ์ต่างๆใช่ไหมคระเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียกว่าเราทํำไมไม่กลับมาแทนที่จะไปหา หาตัวอะไรส like ักอย่างหนึ่งทําไมไม่กลับมาหาตัวเราเองนะมันไม่กลับมาหาตัวเราเองอ่ะไม่กลับมารู้จักการรู้จักใจนะตรงนี้มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเราก็เหมือนกับที่เล่นโปเกมอนนั่นแหละก็คือไปตามหาสิ่งต่างๆนอกตัวเท่าไหลายแหละนะอ่านี้พุตเจ้าก็บอกว่าอย่างไรนะเขบอกว่าให้กลับมารู้จักตัวเราเองนะอ่ายืนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งรู้นั่งนอนรู้ว่านอนเนี่ยก็คืออยู่ในสติปัฏฐาน4ประการนะรู้จักกายรู้จักใจเหานี้แหละ ใช่ไหมกลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทําอะไรอยู่นะนั่งเรารู้จักไ่ากําลังนั่งใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้ว่ากำลังนั่งนี่ก็แบบทําจบแล้วนะนั่งรู้ว่านั่งใช่ไหมเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ยืนนอนรู้ว่านอนก็คือกลับมารู้ในบททั้งสี่เพราะคนเราไม่ต้องอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ยืนก็ต้องเดินไม่เดินก็ต้องนั่งไม่นั่งก็ต้องนอนนะมันไม่พ้นจากตรงนี้ไปหรอกใช่ไหมต่อมาก็ให้รู้จักว่าเออเลียวซ้ายแลกวาเดินหน้าถอยหลัง คู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังขารติดื่มริ ม, มกินเคีย้ยวอุจจาระปัสสาวะก็ให้กลับมารู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็คือปัจจุบันนั่นเองนะในบทใหญ่บทย่อยกลับมารู้ทันใช่ไหมบางที่ตอนนี้เราเริ่มขยับมือขยับนิ้วยกมือเรารู้ทันไหมนั่นแหละคืออีบทย่อยต่างๆนะตรงนี้ไม่ผิดนะบางคนบอกเออมันทำสืบสิทธิ์ังวะถูกไหมจริงๆแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นการที่คู่แขนเหยียดแขนแล้วเราก็รู้ทันนะยิ่งเดินจงกรมยิ่งไม่ผิดใญ่เลยนะกลับมารู้ทันในปัจจุบันนี่แหละอะไรก็ได้ใช่ เป็นการที่เรียกว่าเรากลับมารู้ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะตรงนี้ก็คือเรากลับมารู้กายนะกลับมารู้กายแล้วก็กลับมารู้ใจนะกลับมารู้ใจนะในข้อจิตตาอนุปัสสนาสติปัฏฐานอนะ่ตรงนี้คําว่า <c oughs> จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่ากา ย, ยานุปัสสนาสติปัฏฐานหมายความอย่างะไรก็คือกายบวกอนุปัสสนานะกายนะอนุปัสสนาคือการตามรู้ตามรู้กาย จิตบวกนุปัสสนาก็คือการตามรู้จิตก็คือให้เขาเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ตามรู้ก็ไปเราไม่ต้องไปตั้งใจที่จะดูนะไม่ต้องไปตั้งใจได้จะเห็นอันนั้นเการเพ่งไปจ้องเหมือนกับฝนยังไม่ตกเราไปกลางร่มเอาไว้นะแต่เมื่อให้ฝนให้ฝนก็ตกก่อนเราเราคือกลางลมก็คือให้เขาเกิดก่อนการทั้งใจเมื่อมีความคิดเราก็รู้ทันมีความกลัวก็รู้ทันเนี่ยตรงนี้มันจริงอตรงนะแต่ว่าการเที่ ร, รู้กายก็คือรู้ในขณะปัจจุบันนี่ก็เลยยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปในแต่ะขณะ นะเพราะนั้นในตรงที rewarded, so ados, so so ่จ so so ิตก็ผู no ้เจ้าบอกว่าเมื่อจิตมีราคะก็รู้มีราคะจิตไม่มีราคาก็รู้ไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมันก็รู้จิตตั้งมันจิตไม่ตั้งมันก็รู้จิตไม่ตั้งมันก็คือรู้ไปตามที่ก็เป็นก็คือตามรู้นั่นเองนะอนุปัสสนาคือการตามรู้ไม่ใช่ไปดักดูดักรู้หรือไปครองตัวรู้ทั้งหลายแหละ แล้วก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้บอกว่าจิตมีโทสะก็ไปละโทสะท่านให้เราแค่รู้เท่านั้นเองนะจิตมีราคะก็ไม่ได้ต้องไปละราคะแต่ว่าให้เราตามรู้เท่านั้นเองอรู้ไปตามความเหมือนจริงไม่ได้ไปละเขาแต่ว่าละละตรงไหนละที่ตัณหาตัณหาเนาะตัณหาในรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งต้องละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตามรู้นะตรงเนี้ยเมื่อเราตามรู้แล้วจิตที่มีกําลังในการตามรู้แล้วะมันจะเป็นการไปเบรกในตัวนะคือคนที่ เคยตามรู้อะไรบ่อยๆเราจะสังเกตว่าเขาอยู่ไม่นานหรอกใช่ไหมเช่นมีความคิดนะเราก็คิดไปเรื่อยๆบางทีสมัยก่อนเราคิดไปห้าเรื่องสิบเรื่องเราก็ไม่รู้เราไปช่วยคิดต่างหากใช่ไหมอ่าคิดต่างหากช่วยเขาคิดต่างหากเราก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมันก็คือเราขาดสตินั่นเองเนาะแต่เมื่อเราเริ่มมาที่จะรู้เท่าทันความคิดได้บางแล้วจากการเรามีสติเราก็จะเห็นความคิดนะเราไม่ได้เข้าไปในความคิดตระเห็นแทนนะ มีความคิดเป็นเรื่องหนึ่งเออตอนนี้คิดถึงบ้านกําลังทําไปอยู่เมื่อก่อนเราจะไปช่วยคิดเออตอนนี้อ่าภรรยาเราสามีเราลูกเรากาลังทําอะไรอยู่เนาะเอ่จะมีใครไปส่งโรงเรียนไหมนะหรือใครหุงข้าวไหมนี่ก็คือครอบในความคิดแต่เราคิดแป๊บเดเริ่มเห็นความคิดเออตอนนี้กําลังคิดแล้วนะอ่าเห็นความคิดคิดถึงลูกแล้วเห็นความคิดปุ๊บมันเป็นอย่างไรมันจะไม่คิดต่อนะมันหยุดเลยเมื่อเราเห็นจริงๆมันจะหยุดนะแต่ถ้ามันมันยังคิดต่อนั่นแหละเราก็คือไม่เห็นความคิดนะ คนคนที่เห็นความคิดกับเข้าไปในความคิดมันจะต่างกันนะมันจะผิดกันนิดเดียวว่าเราเห็นเขาไหมใช่ไหมเพราะฉนั้นเมื่อเราเห็นความคิดได้มันก็จะหยุดมันก็อยู่เป็นช่วงๆแต่เดี็กเขาเขาคิดต่อแล้วเราก็เห็นไปเป็นช่วงๆเพราะนมันก็จะเกิดแล้วก็จะดับเราเห็นเนี่ยตรงนี้นะเมื่อเห็นความเกิดและความดับของความคิดเป็นต้นนะหรือความโกรธเมื่อเรารู้ทันเออขนาดกำลังโกรธแล้วมันก็จะดับไปหรือไม่จะเบาลงนี่แหละมันคือการเห็นการเกิดและการดับ เพราะนั้นเมื่อพระเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรจบแล้วอพระโกธัญญาก็ได้เห็นว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรไดธรรมติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอตรงนี้พระโกธัญญาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็เลยเรียกเราอัญญาสีวะโภโกลธัญโยอัญญาสีวะโภโกลยันโกลธัญโยติโกลธัญญารู้แล้วหนอ โคนธัญญะรู้แล้วเนาะอัญญาก็แปลว่ารู้แล้วนะก็คือรู้แล้วเข้าใจธรรมะแล้วเป็นผู้ที่เห็นดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกอ่าเป็นลูกศิษย์คนแรกในโลกนะหลังนั้นก็โคนธัญญาก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เลยสําเร็จเป็นพระอริยคือครบสามการคือพระพุทธพระธรรมสงฆ์เนาะตรงนี้เกิดการดวงตาเห็นธรรมที่ว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเนาะเพราะนั้นเมื่อเราเริ่มเห็นความคิดเราจะเห็นความเกิดดับของความคิด นะหรือเรามีความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองจิตที่เราฝึกมาดีแล้วรู้เท่าทันกายนะการรู้เท่าทันกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มในใหม่หมๆก็รู้เท่าทันกายนะแต่เมื่อรู้เท่าทันกายแล้วจิตก็จะเริ่มละเอียดจะเห็นใจได้ด้วยนะเหมือนก็นเหลี่ยมสองด้านนะถ้าเราหยิบด้านใดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็ต้องติดมาหยิบด้านหัวด้านค้อยก็ต้องติดมาเมื่อ ร, รู้กายมันต้องรู้ใจแน่นอนนะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ใจอ่าเพราะมันติดกันนะรู้กายก็รู้ใจแน่นอนนะ เมื่อเรารู้กายเราเห็นความคิดเป็นต้นหรือความโกรธความโกรธมาก่อนเราก็เข้าไปในความโกรธขัดเคืองไม่พอใจมากนายแต่เมื่อเรารู้ทันกายเมื่อมีความโกรธเกิดเราก็รู้ทันได้นะมันรู้ทันแน่นอนเลยนะเพราะมันเห็นเห็นความคิดเมื่อต้องเห็นความโกรธเพราะความโกรธเกิดจากความคิดนั่นเองเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วรู้ทันความโกรธแน่นอนนะเมื่อรู้ปั๊บมันก็ดับก็หยุดไปเราเห็นเออความโกรธมันก็เกิดแล้วก็ดับได้นะ คนที่เห็นความโกรธเกิดดับเนี่ยเขาว่าคนนั้นไปบัติธรรได้ผลเร็วเพราะว่าความโกรธเนี่ยเกิดเร็วแล้วก็ดับเร็วนะเราเห็นความโกรธเกิดดับเห็นภาวะทุกอย่างเกิดดับการที่เราเห็นบ่อยๆเห็นเข้าไปบ่อยทุกทุ่งลมนะทุกทุ่งลมเลยความรักความชังความเกลียดความโกรธความกลัวความเหงาความเครียดความหึงหวงความอิจฉาความน้อยใจความเสียใจตรงนี้ไม่ใช่เราเห็นครั้งเดียวนะให้เราเห็นบ่อยๆเรากลับมาเห็นก็บ่อยๆเห็นเข้าไปบ่อยๆก็แสดงการอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็น เห็นคือความไม่เที่ยงการที่เข้ามาแล้วก็ไปการเกิดแล้วก็ดับนะการที่เขาเกิดขึ้นชั่วคราว <c oughs> เป็นของชั่วคราวนะนะตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆนะมันเป็นการที่เราว่าเข้ามาแล้วก็ไปเขาอยู่ไม่ได้นานหรอกเราไม่ต้องไปบังคับเขาก็ต้องไปแน่นอนนะเขาเกิดแล้วก็ต้องดับแน่นอนไม่เร็วกว่าช้าอยู่ที่ว่าเรากล้าเห็นเขาไหมไม่ใช่มีความกดเราไปจัดการไปรแทรกแซงให้เขาดับไปนะมันจะนมีตัวตนเราอยู่ที่จะไปจัดการเขา จะรู้สึกเราบังคับบัญชาเขาได้นะนี่มันเป็นอัตราตัวตนแต่เราใจกล้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูเขาไปเฉยเฉยดูเฉยเฉยลุ้ยเฉยๆนั่นแหละเขาจะแสดงการเกิดระดับให้เราเห็นอย่างแท้จริงนะจะเห็นสภาวธรรมที่เกิดระดับอ่าโดยที่ตัวตัวเองไม่ต้องไปจัดการกับเขาเห็นสภาวธรรมนี้เกิดดับโดยตัวของเขาเองนะเมื่อในบ่อยแล้วจิตจะเริ่มเข้าใจความจริงในตรงนี้ว่าทุกอย่างมาแล้วไปเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่แน่ไม่นอนมีความแปรปรวนมีแต่ความไม่เที่ยง หลังจากจิตก็เจอเกิดกำลังใจแล้วก็จะเกิดการที่เรียกว่าวิลาคะคือการที่จางคลายเกิดการปล่อยการวางคืออนาคือมุตตินะตรงนี้มันจะเกิดการปล่อยการวางเกิดขึ้นเขารู้แล้วว่าสิ่งเราเนี่ยมันเป็นของที่เราเราบังคับก็ไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวเนตต์ของเราแต่เมื่อเราบังคับเขาได้ก็จะกลายเป็นตัวเป็นตนของเรานะเมื่อเห็นตรงนี้บ่อยๆจิตก็จะการวิลาคะคือการที่เรียกว่าเขาก็จางคลายคือการคลายออกคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่น การเป็นตัวตนในตรงนี้ว่าระวังครับเขาได้นเพราะงั้นการเที่อลไรนักพระวะทำเขาเกิดแล้วก็ดับนี่แหละเป็นผลทางการพ้นทุกข์หลังนั้นไม่ก็เห็นความไม่เที่ยงะความไม่เที่ยงเช่นเราไปบัตรธรรมเมื่อวานนี่มันดีนะวันนี้มันไม่ดีนี่แหละเมื่อก่อนแล้วก็มีความทุกข์เออทํำไมไม่ไม่ดีถาบอนะออืรับประกันได้เลยพวกเราเนี่ยเคยบัตรธรรมมาเยอะแล้วนะมันจะเห็นว่าเมื่อก่อนมันไม่ไม่ดีเราก็อยากเปลี่ยนเป็นวิธีนี้บ้างมาศึกษาดูอ้ามันก็ไม่ดีนะเมื่อวานดีวันนี้ก็ไม่ดี นะเราก็มีความทุกข์อีกแล้วเสร็จแล่ะก็ต้องไปย้ายวิธีการปแบบทําใหม่เพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่เห็นมาไตรักใช่ไหมแต่เราเห็นมาไตรักก็คือเข้าใจว่าจริงๆแล้วเขาแสดงอะไรเขาแสดงมาไตรั ก, กเราเห็นต่งางๆในความไม่เที่ยงนะบางวันดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็คิดตั้งเยอะแยะเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นบ่อยๆก็จะเข้าใจมไตรักนะพราะวาะใจไตรักเนี่ยเป็นหนทางที่ว่เป็นพระหรหันต์ได้เนะะาะอ่าพระไตรักเนี่ยอยู่ในนาตัลลัสสูตร หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงธรรมจักรจบแล้วก็ทั้ง4ี่องค์อทั้งหองค์นั้นก็ค่อยบรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งหมดแต่ว่ายังไม่มีใครบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยต่อมาพระเจ้าได้ทรงแสดงนัตตรรกะสูตรมีใจความโดยย่อดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณคือกาลใจเที่ยงเลยไม่เ ท, ที่ยงไม่เที่ยงไม่เจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์ก็เจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปวนไปไปธรรมดาคูเลยจะตามคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นแม่เจ้าข้าหลังจากนั้นก็ทรงยากย้ายวารูปเวนาสัญญาสังขารมิญญาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้ำตาอย่างไรเมื่อแสดงธรรมจบแล้วปัญญวิชิตทั้งหกับรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเพราะตรงนี้คือกลับมารู้ความจริงว่าจริงๆแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นาบังคับบัญชาไม่ได้การนี้เราเห็นก็บ่อยๆตรงนี้จีก็เกิดการปล่อยการวางการมีติ นะตรงนี้ก็คือขนทางแห่งความพ้นทุก์นั่นเองนะเพราะมัน ouais. ไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วมันก็เลยเกิดการปล่อยการวางอย่างแท้จริงนะแต่เราบังคับก็ได้กลายเป็นตัวเรานี่แหละบังคับก็ได้มันก็ยังกลายเป็นตัวเราอยู่เนาะพันการที่เราเห็นเราทำบ่อยๆนะมันเห็นอะไรก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่แหละตรงนี้เมื่อเราเห็นบ่อยๆจิตจะเลิกเข้าใจนะพาะการมาทำเราเห็นไหมว่าตรงนี้เรานั่งอีกสักคู่นึงเราก็ต้องเปลี่ยนมาเดินแล้วมายืนแลไปเข้าของน้าแล้วว่าต้องเปลี่ยนนะมันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เปลี่ยนนี่แหละคือการที่มัน แสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วแล้วมาเป็นการทุกข์เราต้องแก้ทุกข์ตลอดเวลาเนาะการนี้เราอายเองนี่แหละคือการแก้ทุกข์นะการเรามีความคิดเราเห็นไม่ว่ามันไม่รู้ว่าอีนาทีหนึ่งข้างหน้าจะคิดอะไรนะตรงนี้เราบังคับก็ไม่ได้เลยนะั่นเลยรู้ความจริงนะนักเด็กว่าทุกอย่างนั่นก็ทํางานเองทั้งกายแลใจเขาทางานเองนั้ทั้งหมดเลยเราไม่นาทีแค่ดูแค่รู้เข้าเท่านั้นเองเลยเนาะเพราะในในท้ายที่สุดนี้เขาขอรัตนาบารมีคุณพระนรัตไตยน้อมนํำทุกท่านเจริญด้วยศีล สติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเลยพันทุกด่านเทิน